ความลูลลงขัตสูงต่างกันอย่างมากเจต้องคำนึงถึงถาดก่อนอื่นม่คำนึงถึงทำนะคำนึงถึงถาดก่อนนะแต่วามไม่ได้คำนึงถึงถาดจิบจ่อลงไปนะทำก็หมุนไปเรื่อยๆเลย เมื่อดี๋ยวมาวิีวิจารกับร่างกาเพราะก็ดิกนี่มันพุ่งพุ่งพุ่งเดีย๋ยวนี้ไม่ได้นะคอยต่จะสลบปสลายเลยต่อไปมันจะเทียในใครทำขมาดนั้นสลายติดก่อพุ่งเน การมาอยู่ร่วมกันมากๆแม้จะเป็นเจตนาที่เป็นธรรมก็ตามแต่ผลที่ได้รับจะต่างกันอยู่มากเพราะเวลามีมากภาระก็ต้องมากเห็นสัมผัสสัมพันธ์ กก็มีมากความคิดก็เพิ่มขึ้นถ้าถูกดาหยาบๆเข้ามาสับปนกันแล้ว ก, mm hmm. กระเทือนไปหมดทั้งวัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากสำหรับเพศของพระไม่ควรมีอย่างยิ่ง เรื่องที่กล่าวมาพอพระทั้งโลกเขาทราบแล้วว่าเป็นเพศที่ทรงธรรมทรงวิ น, นัยเป็นเพศที่ถูกต้องดีงามหาที่ต้องติไม่ได้เนื่องจาก ร, รมเป็นสวขคาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าด้านวิ น, นัยไม่ว่าด้านธรรมะทุกขั้น ผู้คามาทรงธรรมทรงมินัยจึงเป็นผู้ที่ไว้วางใจของตัวเองและโลกอย่าว่าแต่โลกชาวพุทธเลยแม้โลกพาหิรชนจากศาสนาก็เป็นที่ไว้ใจได้เพราะผู้บวชคือผู้ทรงธรรมตามความสมมติก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้น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 สิ่งที่แสลงแทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาได้ทั้งนั้นการเรียนเรื่องของกิเลสจึงต้องเรียนในจุดสำคัญก่อ น, อนคือใจเพราะเป็นครั้งของกิเลสเมื่อระบายรือทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวายจา่าทางท่องเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกาย แล้วนำอารมณ์เหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจเป็นธรรมารมณ์แล้วก็ท่องเที่ยวตามเรื่องราวต่างๆอติตารมณ์นำเข้ามาคุ้นมาคิดมายุ่งเยยิงวุ่นวายด้วยแล้วตัางแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ทำการก่อกวนจิตใจให้หาความสงบสุขไม่ได้ทั้งนั้นจากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกมันเป็นส่วนหยาก ให้กระทกกระเทือนหมู่เพื่อนและระบาดสาดกระจายออกไปเป็นวงกว้างขวางหาประมาณไม่ได้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าสึกกันตลอดมาอย่างนี้แม่เรามาบวชเป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้ทรงธรรมมันทรงฤทธิทรงเดชของมันเองแสดงออกมาเป็นกิเลสทั้งนั้น ไม่ได้เป็นอัดเป็นธรรมเลยพึ่งที่ว่ากิเลสแล้วไม่ว่าจะออกมาทางอาการใดออกมาเล็กๆน้อยๆ อ, ออกมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนักเป็นมวลแล้วต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ได้สแสดงมาเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มาทรงธรรมก็คือการชำระแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสในขณะเดียวกันยังอยาให้มันกระดิกตัวออกมาได้ในส่วนใหญ่ มันส so ูตนิสัยก really <Heh. S 2> um. ็มันแสดงอยู่ภายในเท่านั้นเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะปลดเครื่องหรือปราบปรามมันได้นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติของผู้จะทรงธรรมทรงธรรมจากคําว่าทรงธรรมไปเรื่องการปฏิบัตินี้แล้วก็เป็นผู้สมรักรงผลทรงมีมุตตุพ้นการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งต้องระวัง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 และมีการให้ให้ใหอภัยไว้เสมอผู้รับก็พึงรับด้วยอาการนี้เช่นเดียวกันรับด้วยความตรงรับภักดีรับด้วยความเคารพนับถือรับด้วยความพอใจที่จะพึ้ปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้นิยมว่าเป็นอาวุโสผันเตวเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคคือความถูกต้องด้วยกันใครพูดออกมาจะเป็น ผู้ใหญ่ผู้น้อยให้พูดเป็นอัดเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลผู้ฟังก็ให้ฟังต่างนั้นปฏิบัติตามนั้นมีกี่ร้อยกี่พันรายกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันเพราะเจตนาเป็นธรรมด้วยกันสิ่งใดที่สุ่อวิสัยมันผิดออกมา ก, ก็เจ้าของเองก็ทราบเจ้าของไม่ทราบคนอื่นก็ทราบว่าไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องมามา ร, ระมัดระวัง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 เพ็่นผ่านผ่านใช่ไม่ได้ไอต่างคนต่างระวังใจของตัวนั้นแะเป็นการระวังซึ่งากันและกันไปในตัวถ้าไ ม, ม่ระวังตัวก็ทำให้กระทือนหมู่เพื่อนถ้าลงได้ออกไปรกระทือนหมูเพื่อนแล้วเป็นเรื่องหยาบมากเพียงแต่กระทือนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทุบร้อนพอแล้วเป็นความผิดพอตัวอยู่แล้วไหนจะต้อง ในลระ บ, บาดจัดกระจายออกมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนอย่างนั้นดูไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวสามมากให้พากันระมัดระวังให้มากนับปฏิบัติเราเพราะเรามักฆ่ากิเลสสิ่งใดที่เห็นเข้าใจว่าตัวดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันจะทำให้เราชั่วการอวดดีอวดเด่นอวด ความรู้ความฉลาดความสามารถของตนด้วยแล้วแต่เป็นเรื่องของเิเลตทั้งมวลที่จะทําผลให้เสียหายได้ล่มจบไม่ใช่จะทําผลให้เป็นคนดีการมีความสําเนียกศึกษาด้วยความสนใจอยู่เสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นนักธรรมะตัวแท้คอยสำเนียบเอาเหตุเผลด้วยความจงรับภักดีต่อกัน และนำไปพูดปฏิปฏบัติต่อตวเองพยายามแก้ไขดัดแปลงอยู่เช่นนั้นนั่นชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมใ น, นขณะเดียวกันก็เรียกว่าแก้กิเลสไปในตัวก า, า, ารได้ยินได้ฟังการรวมจากครูจากอาจารย์แล้วอย่าให้เป็นลักษณะที่เทน้ำใส่หลังหมาเทป่วลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไม่มีเหลือ น้ำแม้หยดเดียวอยู่บนหลังหมานั้นอกเทศนาว่าการลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มทติน์กำลังความสามารถยิเลศมันพาสลัดทจ้งหนเดียวเท่านั้นปุ๊ดไม่มีเหลือเลยทาไาในใจที่ได้ยินด้ฟังมายังเหลือแต่กิเลศกองท่วมหัวอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องศึกษาปด้วยความจริง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 ทดสอบผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์ตลอดสายจึงได้นําธรรมหล่านั้นมาสั่งสอนโลกถึงว่าชัดจะบา ร, รมีอย่างนี้ใครเป็นคนประกาศสอนโลกท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าคนมันมีความฉลาดความกินทำอะไรละหล่อแหลกหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ เลื่อนลอยโอนเอ็นคลอนแขนไม่มีหลักต้องมีหลักใจทําอะไรลงด้วยเหตุผลแล้วให้เป็นไปด้วยความจงใจด้วยความจริงจังทุกอย่างเมื่อถูกต้องโดยเหตุผลแล้วตัดสินใจทําลงไปอย่างนั้นจึงถูกฝึกหัดนิสัยเจ้าของอ่าให้เป็นคนหล่อแหลกการทําละกิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายๆ เป็นสิ่งที่ยากเพราะฝังจมภายในจิตมานี้เป็นเวลานานไม่สามารถที่จะนับอ่านได้เลยแม้ตัวเองซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยิเลสมาตลอดการก็ตา่างแต่เมื่อพูดถึงปัจจุบันแล้วก็เต็มอยู่ภายในจิตจึงแก่ยากเหนียวแน่นมากการชำระสะสามจะทำด้วยความอดแดทอดแท้เหลวไหลใช้ไม่ได้นอกจากเป็นการเพิ่มยิ่งเลไปขน้น มันต้องเอาจริงเอาจังทำด้วยดีบังคับกิจิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแง่ต่างๆาเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจจะย่อมจะไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลากคิดไปเท่าไหร่ทุกเท่าไหร่ก็ยอมทุกไม่สนใจในเรื่องของทุก์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุ่นวายอันไม่ดีนั่นเลยทุกมัน รากมันถูไปถลอกปอกเปิดไปหมดก็ยังไม่เห็นโทษนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันฝืนหัวใจเพราะกิเลสตาให้ฝืนไม่ใช่เราฝืนเองนะกิเลสมันเป็นข้าสิกกับธรรมต้องฝืนธรรมเสมอโดยเอาเราเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่หัวใจเรามันต้องบังคับใจเราบังคับกายวาจาไปในตัวเพราะกายวาจานี้เป็นเครื่องมือของจิต จิตเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสจึงต้องฉุดต้องลากต้องถูต้องไถไปตามเรื่องของกิเลสเสมอการพินิจพิจารณาในการปฏิบัติถ้าไม่ใช่ความทำเวลาช้าความเข้มแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไม่รอดนะเราได้เคยพูดเสมอว่า ง, งานในโลกนี้ยังไม่เห็นงานไหนที่หนักหนาและทุ่มเทลงจนถึงขั้น ถึงเป็นถึงตายเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสถอดถอนกิเลสเลยนะความเละฉลี่ยฉลาดก็ไม่มีอะไรเกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยู่ในโลกฐานนี้กิเลสเป็นเบอร์หนึ่งเป็นจอมวัตจักรด้วยเหตุ น, นี้จึงแก้กันได้ยากแต่ยังไงก็ไม่พ้นวิสัยของผู้ตั้งใจผู้ทำผู้บุพฤตปฏิบัติด้วยอดด้วยทำเพราะทำเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยด้อยกว่ากิเลสเลยถ้านำมาใช้นอกจากจะทิ้งไว้เฉยเช่นอย่างศาสตราวุธจะมีพิกมีภัยทำอันตรายให้แก่ขาาศึกได้มากมากเพียงใดก็ตามแต่เมื่อมานำมาใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่เท่านั้นไม่เห็นสำเร็จประโยชน์อะไรนี่ธรรมะก็เหมือนกันระตีิท่านสอนเราท่านสอนคมภีบาปัญญาก็สอนเรา ความเพียนเนี่ยตั้งเพียนพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความมีสติและรึกรู้ตัวอยู่เสมอด้วยปัญญาในเวลาที่ใช้ปัญญาไ่ใช่ความอุตสาห์พยายามความอุตสาห์เป็นผลท่านถึงสอนให้อุตสาห์ความเพียรทำให้เกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีท่านถึงสอนให้เพียนสติใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลดีขึ้นโดยลำดับท่านถึงสอนให้มีสติให้อารมสติ ปัญญาใช้ในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากทำคนให้ดีสุดยอดก็คือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านสอนท่านมอบแต่ของดีดีให้พวกเราแต่ถ้าเอถไหลไปเอาสิ่งที่เป็นเดนเป็นมูดเป็นคูดมาพอกหัวใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่สิ มันจึงเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็กลายเป็นค่าศึกต่อศาสนาต่อศาสดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อตัวเองไปสหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกาลังมากกว่า้เราควรจะภูมิใจได้เข้ามาทรงเพศหนังบัรปชิตนักบวชมาอาพืชปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักของนักปรารถนา กาวีทั้งหลายปวีทั้งหลายท่านได้พาดาเนินแล้เห็นผลมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยหลักธรรมที่แสดงไว้เหล่านี้มรดกใดสิ่งใดที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมนี่ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาถึงพวกเราการบวชก็บวชตามเรมืง่งอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ดาเนินมาแล้วการประพฤติปฏิบัต ท่านก็สอนวิธีที่เป็นศีลมงคลแก่ตนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความเทิดถูนแล้วส่วนมากมีแต่กิเลสมันมาฉุดมาลากจับฟัดจะเหวี่ยงเข้าป่าเข้าคงไปเสียเหลือตั้งแต่ตัวกิเลสด้วนๆมากรองหัวใจอยู่เป็นเจ้าของนี่มันน่าสลดสังเวชดูกิเลสมันดูได้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ดูได้ยากที่สุดอยู่ในหัวใจเราแต่ตามมันไม่ทนันดูมันไม่เห็น ไม่รู้โนนครูบาอาจารย์นั้นดูผูท่นานผานท่านพ้นท่านรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวกรรมันแล้วดูรู้เราเองไม่รู้จึงต้องสอนวิชาที่จะรู้เรื่องของกิเลสแก้กิเลส ต, ต่อสู้กิเลสให้ทําทั้งหมดเป็นทําแก้กิเลสทางนั้นเป็นธรรมที่เป็นสี่มงคลเป็นธรรมอันอุดมอย่างยิ่งนําเข้ามา ประดับสติปัญญาของเราเนี่ยคนเรามีคุณค่าอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดคําว่าความสุขความเจริญที่โลกต้องการมาทุกหย่อมย่ามาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากการทําดีการทํำทั่วที่จะให้เกิดความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างเขาฉกเขาลักเขาไปปล้น ไ, ได้เงินมาเป็นล้านล้า น, ล, า น, ล, านล้านกว่าตาม จะมีแต่กิริยาว่าได้เงินมาเป็นล้านๆแต่นั้นหัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเลยล้วเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขถ้าไม่ชอบทำแล้วถ้าชอบทำแล้วมีความสุขมีมากมีน้อยเป็นความสุขได้ทั้งนั้นเพราะเป็นความชอบทำจะนำความสุขมาให้โดยถูกตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี่เราแก้กิเลสแก้โดยทำแก้ให้ถูกตามอัตตามธรรมทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยลงไปโดยลดั อางผลอันเป็นสุขหรือความสงบสุขขึ้นมาเป็นขั้นขันขนขนต่อจิตใจของเราผู้บำเพ็ญนําปัญญามาใช้มันต้องรู้ต้องฉลาดพระพุทธเจ้าสอนทำเครื่องฉลาดให้แท้ๆทําไม่ได้สอนทําโง่ให้พวกเราทำพระพุทธเจ้าคําว่าทําโง่ไม่มีมีแต่ทําฉลาดเรานําเข้ามาคุยปฏิบัตินันทำให้จิการเป็นความโง่อเพราะยื่นด้ามด้ามดาบให้กิเลสเสีย่ย มันก็ฟันเราสิดาพมคมแทนที่จะฟันกิเลสกลับยืนตามดาบให้กิเลสมันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจายไปเดินจงกรมเพียงสองสามหยักสามหยักสามเก้าสี่เก้าสติตั้งมาได้เลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะพั 1, ทงทลายลงไปแล้วนังแล้วเหลือแต่ความเซ้อซ่าก้าวขาไปก้าวขามาเหมือนกับคนไม่มีสติสตางเหมือนคนบ้าอยู่ตามถนนโนนนัน่น มันเป็นความเพียรอย่างไรทําอย่างนั้นนี่เราจะได้รู้รู้ได้ชัดชว่ากิเลสเก่งขนาดไหนทั้งทั้งที่ตั้งสติสตัตงประความความเพียรอย่างนั้นยังถูกมันลากมาได้ต่อหน้าต่อ ต, อตาเราจะไม่เห็นว่ากิเลสแหลมแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคมแต่ว่าสติปัญญาของเราแหลมคมทําไมไม่ทันคนมญญายาวกิเลสมาฉุดลากเราในขณะนั้นนั่ น, น, นเราจะเห็นได้เวลากิตมันมีความละเอียดละ อ, อสติ ปัญญาของเรามีความคล่องแคล่วกล้าขึา้นไปเพราะจากเพราะการอบรมของเรา น, นี้โดยลําดับรู้ได้โดยลําดับมันกระเพื่อมตรงไหนพับกิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับคำว่ากิเลสสัมผัสหมายถึงกิเลสกระเพื่อมออกจากใจมันจะไปเกี่ยวหาเหยื่อมากินหนึ่งที่หาอาหารมากินเพราะกระเพื่อมพับมันตามกันแล้วอย่างหนึ่งกระเพื่อมพับรู้ถึงขั้นที่จะตามข่านั้นกระเพื่อมพับตามกัน เอาให้เห็นเหตุเห็นผลนัน่ในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไมอ่อยู่รู้ให้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตั้งสติจะตั้งแต่มันเป็นการตั้งโดยหลักธรรมชาติของมันเหตุที่สติปัญญามันตั้งขึ้นมาได้โดยหลักธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะความถูถายความเสื่องรานของเราด้วยความเพียรของเราไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละกำลังทางธรรมะก็คือสติธรรมปัญญาธรรมก็จเจริญขึ้นมาเรื่อย กิเลสออกประเภทไหนประเภทไหนออกแสดงออกมันทันมันทันกันจากนั้นก็ฆ่ากันพิ่น้าสัตตโลไปนเรื่อยจนถึงจุดขั้นกิเลสมันหมอบเวลานี้กิเลสมันแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเราธรรมะข้อใดมาแทนที่จะเข้าไปปราบกิเลสก็ไปยื่นด้ามเหมือนดับด้ามด่าเพราะธรรมะเป็นเหมือนด่าให้กิเลสเสียให้กิเลสฟันเอาฟันออกเดินยจงกลมอยู่มันก่อนถูกมันเตะ สติจะตั้งแตกกระจายไปไหนไม่รู้นี่จะคนสิ้นท่าบ้าตามถนนเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เรื่องเดือดลาจากนั้นก็มาทวงเอาเวล่ำเอามักผลนิพพานจากเวล่ำเวลาการเดินการก้าวไปก้าวมาของตนในลักษณะบ้านั่นอีกยิ่งเป็นบ้าสองชั้นสามชั้นเราพิจารณาที่ว่าเราโง่ไหมเ ร, เราลุยเว่าเราฉลาดอยู่หรือเมื่อไม่ทันกับพิเดษทั้งๆงที่เรา ขึ้นเวทีจะต่อก่รกับกิเลสเอาให้นแหละแล้วกลับยังไม่ได้ยกครูกิเลสถูกกิเลสเตะตกเวทีไปแล้วอทานกันไหมอย่างมันแต่ว่าใครงูกล่าวกับกิเลสเราเนผู้ทรงธรรมทานิพก็ได้เคปราบกิเลสได้ใช้ชนะมามากถ ม, มากแล้วทําไมเราเนผู้ทรงธรรมยังไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลย หาเป็นนั่งมวยก็ขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะเขาเตี๋ะจนแหลกมีสติสตังนี่และระหว่างกิเลสกับธรรมผู้นําเอานำธรรมมาฝึกหัดตนใช้ในเบื้องตน้นเป็นอย่างนี้เคยเป็นมาด้วยกันตั้งสติได้หนึ่งนาทีพยายามเอาได้หนึ่งนาทีพอนาทีที่สองมันเอาไปแล้ว บางทียังไม่ถึงนาทีมันเอาไปแล้วนะเร็วไหมยี่เหลด้ลวดเร็วไหมคล่องตัวไหมไม่คล่องอยังไงมันเคยคล่องตัวมาตั้งแต่กลับไหนกันเลยแล้วบนหัวใจของเรานี่เพรา ะ, ะฉะนั้นจึงต้องคิดทำขึ้นมาเอาจริงเอาจังถึงวาระวาระจะสู้กันสู้ ยาเสียดายความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเคยคิดมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากกวนใจของตนให้ต้องความทุกข์ความบากเพราะความคิดเท่านั้นเวลานี้เราจะปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอากิเลสเข้ามาทำลายจิตใจเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วมันทำลายอยู่แล้วภายรจิตใจ การปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดกิเลสออกต่างหากทำไมยิ่งต้องเสียดายความคิดความปรุงซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสมันขัดแย้งกันไหมกับความต้องการของเราเราต้องคิดต้องแยกต้องแยกต้องย้อนอุบายสติปัญญาให้ทันกับมันเหล่านี้คิดพูดเหล่านี้เป็นอุบายสติปัญญาที่จะให้ทันกับกิเลสตัางหากนําไปชิดคิดมาเท่าไหร่แล้วในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีความอิ่มพอไหม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 เพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจผิดไปซะให้กิเลสตบตายซะก็มากต่อมากถ้าจะประกอบบุญงามความดีความอยากทําทานก็ดีความอยากรักษาสี่ก็ดีความอยากภาวนาก็ดีความอยากพ้นทุกข์ก็ดีความอยากได้บุญได้กุศลก็ดี ก, ดดก็ถืวอว่าเป็นตัณหาไปหมด เคยมีคนมาถามเลยหาช่องเดินไม่ได้แล้วนะทําไงทําอะไรก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นกิเลสเป็นหมดแล้วจะให้เดินยังไงกัคนตายเท่านั้นแหละเหมือนท่อนไม้ท่านปืนไม่มีความอยากอยากตายไหมละ่ะบางทีโมโหกับตัง้งตอบว่าอย่างนั้นเลยความอยากคนมี้สองประเภทความอยากที่เป็นอานาจเพราะอำนาจของกิเลสนี้ไม่มีเมืองขออยากจะมาทั่งกับตั้งกับตั้งกันั้ง แต่วันเกิดถึงวันตายตลอดพบตลอดชาบิตัง้งกับตั้งกันไม่มีคําว่าอิ่มพอขึ้นชื่อว่ายิ่เลสความอยากที่เป็นยิ่เลสดิ่เดสทําให้อยากแต่ความอยากในด้านธรรมานี่พอทาบุญทั้งทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเวลาดําเนินไปตามความอยากนี้เป็นมรรคคือทางดําเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความพ้นทุกข์ จะเป็นกิเลสตัณหาได้อย่างไงถ้าเป็นกิเลสตัณหาใครจะพ้นทุกข์ไปได้การต่อสู้กิเลสอย่างสุดเบี่ยงนี้ด้วนแน่ตั้งแต่เป็นเรื่องของธรรมทางนั้นกิเลสหนักขนาดไหนกําลังของเราจะให้หนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิเลสจะสู้กิเลสได้ กำลังของเราหมายถึงว่ากำลังของด้านธรรมะเรียกว่ามรเครื่องมือดิเครื่องดำเนินทางดำเนินต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ทันกันแพ้ไม่หนักน ก, นนน ก, ก็แพ้กิเลสต้องให้มีน้ำหนักกว่ากิเลสนี่เรียกเป็นมรจริงๆมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปเท่าไหร่ จิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความภาคความเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีนีความอยากมีกําลังขึ้นเรื่อยความขยันหมั่นเพียรก็หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าความขี้เกียจที่คา้านหายหมดก็ความขี้เกียจที่คา้านเป็นเรื่องของกิเลสนี่มีแต่ความเป็นนักต่อสู้เท่านั้นพอมาความขี้เกียจขี้คา้านมันหายหน้าไม่มีเหลือเลยการประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นเที่มันจะหมุนตัวไปเองแล้ว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 อย่างแท้จริงท่านว่าเเวลาถอนจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาออกทำงานท่านว่าเมื่อใช้ปัญญาออกทำงานมีความเมื่อนะภายในจิตใจแล้วให้เข้าพักในจิตพักในความสงบในเรือนคือสมาธิให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปท่านว่าอย่างนั้นเเราก็เคยรเรียรนเรียนนี่ก็ดีเพราะมีอยู่แล้วในทรา บางเวลามันเข้าแต่ลุมบอกันจริงมันลืมหมดอาธรรมที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความเหมาะสมนั่นนี้มันลื ม, ม, มถวัดติดสมาธิกติดเสียจนไม่ยอมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเลยก็เห็นความรู้ที่แนวแน่อยู่อันเดียวนั้นว่าเป็นจะเป็นมรรคผลนิพพ า, านเฉพาะเดียวก็ติดที่เสียจมนั่นมันไม่พอดีพอลราออกทางด้านปัญญาก็เห็นเมื่อเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วก็มีแต่เห็นผลทางด้านปัญญานี่ ข้าเดียวกลับมีหนังสัมมยังกลับมาเห็นโทษของสวัสดิ์หรว่านอนตายเฉยเมยได้เรื่องในเราวอะไรที่นี่ก็าาดกันไปกับกิเลสกต่ไม่ถึงไหนมันจะตายนี่เพราะความคิดด้านปัญญาก็เป็นงานนี่ความคิดความปรุงจิตไม่กระเพื่อนเป็นปัญญาได้อย่างไงปัญญาขั้นแก่กิเลสนั้นก็ต้องได้ทางานด้วยความคิดความปรุงสลับซับซ้อนอยู่ไม่หยุดไม่ถอนมันก็ทต้องเหนื่อย มีกตจะเอาท่าเดียวมีแตจะเอาท่าเดียวกำลังไม่มีก็จะเอาท่าเดียวมันไม่พอดีนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพลียภายในจิตใจก็ต้องเข้าพักในสมาธิมันถึงถูกนี่ความเหมาะสมพอดีแท้อยู่อย่างอยู่ตรงนี้ถึงจะอยากทำเท่าไหร่ก็ตามต้องพกักพอเหมือนอย่างเราดําเนินงานทํางานอะไรจะเพลินเท่าไหร่กับหน้าที่การงานถึงเวลาคนพักต้องพักถึงเวลารับทานต้องรับทานไม่งั้นมันมีกําลังที่จะหนุนงานนั้น สมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาหนุนงานาคือปัญญาต้องไปให้พอเหมาะพอสม น, นี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะคืออยากพ้นถุกความอยากมากเท่าไรเรื่องการหมุนของติดคือสติปัญญามันยิ่งหมุนติวติวไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนย่อนตัวเลยนั่นเพราะอำนาจแห่งความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากหลุดพ้นไม่ใช่ความอยาก นอนตัในกิเลสเนี่ยจะจัดเป็นกิเลสได้ยังไงส่วนหนามไปเข้าใจผิดจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นปัญหาแต่ออยา่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นตัญหาอยากเป็นฝ่ายทําเป็นตัญหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรจะเดินที่ไหนกนูกิเลสมันยังมีทางเดินทั้งมันธรรมะไม่มีทางเดินเพื่อแก้กิเลสจะเอาอะไรไปเดินกิเลสอยากธรรมะก็อยากเวอยากก็ได้อยากฆ่ากิเลสเนี่ย เหล็กมันก็อยากฆ่าเ่าฆ่าทำอยากทำลายทแล้วก็อยากทำลายยิ่เล็กสินั่นความอยากต่อความอยากฟาดกันสุดท้ายก็สูดความอยากของธรรมะมาได้เอาให้ยิเหล็กหายตึงหงายตึงอุ้ยเจ้าสาวว่าเท่าไรล้วนแน่จะพูดที่ต่อสู้ยิ่เหล็กด้วยความอยากห้า่นี่ยากเป็นอัดเป็นธทำไม่ใช่อยากแบบท่านเป็นกันหานจะเป็นยิ่เล็กได้ยังไงความอยากเป็นยิเหล็มันถึงเป็นความอยากมันเป็นยิ่เหล็กจะอยากเท่าเท่าไรก็ไม่เป็น คนเดินคนละทางกิเลสมันเดินสวนทางกักับธรรมะอ่าสมมติว่าธรรมะมีภายในจิตใจเท่าไรก็ยิ่งจิตใจยิ่งมีความนิ่มนวลลงไปดดดโดยลำดับลำดับอ่อนโยนเมตตาสงสารไปโดยลำดับส่วนกินเลสมันมีแต่ความโหดร้ายทารุณมีแต่จะฆ่าจะฟันจะเอาให้คิดหายวายปวงท่าเดียวเนี่ยมันเดินสวนทางนี้ยกอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเพราะนั้นนอกนั้นก็เหมือนกันกินเลสไม่เคยเข้าไปรับไป ตามรองรอยของทางต้องสวนทางกับธรรมทั้งหมดเพราะฉนั้นจึงเรียกว่าเป็นค่าสุดกันต้องใช้ความพยายามอย่าเชื่อความขี้เกียจขี้ค้านทังกมดเองเคยเชื่อมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์เลยถ้าเชื่อทำถ้าเชื่อทำต้องบึกบืนตนองอุตสาห์พยายามเรามาบวชมาเพื่อเชื่อทำพูดทำทำมังซังนังซังคังสังนา ง, ง, ง, งกระฉามี เราถือวิจาเป็นผู้ปฏิบัติพระวิจาพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะหมายความว่าอย่างไรชนะเป็นที่ฝังเป็นฝังตายฝากเป็นฝากตายได้นี่ฝากเป็นฝากตายได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความเชื่ อ, อความเคารพนับถือในธรรมของท่านเราคุยปฏิบัติเอาทําเทิดทุนมุนหัวใจทไไําว่าอย่างไรเดินอย่างนั้นแบบทําว่านนั้อทุกข์ก็ทุกข์เอาตายก็ตายทำสอนอย่างนี้นั่นนี่วัดทำมังสะ น, นังกระฉามี อบุษงกำลังกระชามีพระองค์เป็นยังไงกานพวกเขาความเปลี่ยนลูกๆ ค, ค, คู่ครานบคอยจะขี้เกียจขี้ค้านแบกบตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านเหมือนพวกเรานี่เหรอะถึงท่านจะมีความขี้เกียจขี้ค้านเพราะท่านมีขี้เกียก็ตามแต่ความต่อสู้การต่อสู้ขี้เล็กของท่านมีเต็มที่มีโดยลาดับลำดั บ, นดบจนกระทั่งมีกําลังมากปราบขี้เล็กเรียบมุดไปภายในประเทศไทยนัน นี่ก็พุทธังสนสังกรฉามนี้กเอามาเป็นตัวอย่างสิท่านทำยังไงทำมังสนังกรฉามนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าพุทธะไม่เกิดซะก่อนอือทําเกิดขึ้นจากพุทธะพุทธะรู้ทยแล้วก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกให้เป็นที่เข้าใจในวิธีการริพุตรปฏิบัติส่วนผลแท้ทำแท้นั้นจะเป็นผู้ได้รับ เราไม่ต้องถามใครที่สังฆังท่านนงกระฉามีท่านนำเนินงยังไงแต่พูดถึงทางเหตุของท่านนำเนินงยังไงทางผลเป็นที่พอใจไหมเราได้ยินท่านสําเร็จมาผลนีพผ่านนั่นนั่นแหะส่านนงกระฉามีพวกเราคำว่ากิเลสท่านนางกระฉามีมันมีไหมละ่ะมีความขี้เกียจที่ครั้นส่านนงกระฉามีความอ่อนแอบวกเปียกท่านนางกระฉามีมันเคยมีไหมวิทยาไปสอนไวหมอืม ความสเสือซ่าซ่าท่านนางข า, ามีความละเอียดละกะท่านนางขจ า, ามีมันเคยมีไหมแล้วพวกอะไรทำไมถึงชอบวันนักนหนาวแบกหามอยู่ไม่ยอมให้ลงบ่าเลยมันส่านนางขจ า, ามียังไงขำอยูไ่ไปที่ไหนนั่งตะแบกท่านนางขจ า, ามีเหล่านี้เต็ไมไปหมดความขี้เกียจขี้ขลาดความมักง่ายอืมติดต้องแท้ๆไม่ยอมปล่อยเลย เราพุทธังรังกรฉามีว่านป่าวว่าพุทธังรังกรามีมัดใจโบราณมองดูหัวใจมันมีแต่กิเลสทั่วเพศสร่างกชะามีนี่มันติดพันกันอยู่นั้นไม่เคยยอมออกฟาดแล้วมันแหลกแตกกระจายไปดิเป็นยังไงทำของพระเจ้าน่ะท่านประกาศสอนโลกมาได้สองพันห้าร้อยปีไปยังไงใครจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทำประเภทหนานที่พระองค์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 แล้วที่นี่ธรรม ท, no religion, ท st, ี่ทำแับประเสริฐประเสริฐนั้นน่ะเป็นยังไงกิเลสประเสริฐประเสริฐมีที่ไหนแต่ทำไมชงชอบนักชอบหนาเราหน้าว่างั้นที่ถามปัญหาจาของทํามันเลยกอันประเสริฐนั่นที่พระเจ้าครองสาวโมงต่ายท่านครองแล้วเราได้ถือเป็นกติตัวอย่างและสร้างนางข้าสามีเวลานี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้ที่ไหนท่าเห็นที่ไหนท่านปฏิบัติยังไงย้อนกข้ามาถามตัวเองบ้างที่ซักตัวเองมันแหลกแตกกระจายแบบนัซักตัวเองก็คือซักกิเลสนั่นแหละ นี่แหละสติปัญญาอมาซักอย่างนี้นี่อุบายวิธีปฏิบัติให้มันเห็นด้วยใ่ปะสมาธิด้ยินแต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรเรียนจนกระทั่ ง, งถึงมันตาก็ได้แต่ชื่อมันได้แต่ชื่อได้ประโยชน์อะไรเช่นอย่างเรามีเงินล้านานี้มันได้แต่ชื่อว่าเงินล้านว่าเงินบา ท, ทเดียวก็ไม่ติดกระเป๋าไม่ติดมือมันเป็นเกิดประโยชน์อะไร มิชแนลนั่นคำเดียวมันเห็นสมาธิตามหลักที่ท่านสอนองค์สมาธิแท้คืออย่างไงนั่นคือชื่อของสมาธิว่าความแน่นหนามันคงหัวใจมีแต่ความแน่นหนาเฉยเลยลักษณะอาการความสง่างภาเพเผยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของสมาธิอันแท้จริงนั่นเป็นอย่างไรให้มันเห็นที่หัวใจรู้ที่หัวใจที่ใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสทําเหล่านี้น่ะไม่มีอะไรสัมผัสได้หูก็สัมผัสไม่ได้ตาสัมผัสไม่ได้ จมูกดิ้นการสัมผัสไม่ได้สัมผัสทำแบบนี้มีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นที่สามาสัมผัสได้นั่นเอาพิจารณาไปสิข้อกิจมีความสงบยอดเยี่ยมแล้วนั่นศา ส, สนาจะเป็นของพระจารย์ที่ตรงนั้นเพียงแต่จดจําม่เฉนมาบวชอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าที่เรนต์วบวชกับเรานะอืมมันย่ำยีตีแหลกอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาหัวใจของพระนั่นน่ะมีแต่ชื่อว่าพระแต่พิเรนตมันไม่ได้บวชพระมันสนุกเบียร์หัวใจพระเราไม่ ไม่คิดบ้างหลือหรอกนี่ฟาดมันทมันแตกกระจายยีตมันทําไมมันจะสงบไม่ได้ทําเครื่องมังคับกิตให้สงบมีอยู่และใครทําเป็นผู้ปฏิบัติเวลานี้ที่จะทําให้กิตได้รับความสงบด้วยธรรมพูดถึงเรื่องปัญญาพระสอนที่ตรงไหนปัญญาจะรู้อะไรกิเลสมันอยู่กับอะไรก็สอนเบื้องต้นก็สอนเกสรมานาขานตาตาจนูนี่หละลางของกิเลส รังแห่งความรักก็อยู่ตรงนี้รังแห่งความเกลียดความโกรธก็อยู่ตรงนี้อยู่นี่หมดเฮ้ยหิ้วหนังบางๆนี่แหละมันหลอกมันจริงเมื่อไหร่มันสวยมันงามงามที่ตรงไหนอืขี้เลรมันหลอกของปลอมมันปลอมอย่างนี้รู้ไหมเราถือว่าเป็นความจริงเราถึงเลยหลงนักปิการาตำหลักพุทธเจ้าที่ตำหลักธรรมที่ว่าเคซ่าลุมานะขาตันตาตะโจนัน่นแหะคือความจริงอา้าวมันสาดที่ตรงไหนดูสิ หนังแม้แต่ผิวหนังมันยังไม่เห็นสะอาดอะไรเลยขี้เหงือะขี้ใครเต็มไปหมดแล้วเข้าไปข้างในเป็นยังไงนี่คือความจริงความจริงแท้นี่เห็นอยู่ชัดๆอะไรว่าความสวยความงามมันไม่มีมันเสกสรรบรรจอมาันยังตื่นลมตื่นแรงกันไปเนี่ยท่านสอนให้ดูของจริงเนี่ยดูแล้วดูเล่าพิจารณาไปมาเพราะถูกพิเดตมันปิดตาทั้งหมดต้องเอาปัญญาแว่นตามา คือปัญญาอสอนเข้าไปดูเข้าไปหลายครั้งแล้วนก็ค่อยเห็นค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาพออย่างก็ถึงความจริงแล้วมันยอมเองจิตใจที่เคยหนักหน่วงเพราะอํำนาจของกิเลสมันกดมันถ่วงนัน้นค่อยดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาพิจารณาเห็นกายนี้ปตามความจริงมากน้อยเพียงใดจิตใจยิ่งมีความยิ่งแย้มแจ่มจใสสลดสังเวยในความหลงก้องตนไปโดยลําดับๆเพราะกิเลสลวงกิเลสหลอกลลอกิเลสต้มตน มันก็เห็นตรงที่นี่อ๋อมันต้มตุนเราอย่างนี้มันหลอกเราอย่างนี้หลอกมานานเท่าไหร่เฮ้เพียงดูเท่านี้ก็เห็นเพรากิเลสในขั้นนี้อ้าวกิเลสขั้นอะไรเยอะไปตติปัญญาจะตามบ ไ, ไปดูระดับไม่พ้นอำนาจของตติปัญญาไปเลยฝ่าของป ร, ระจน์แหลกแตกกรจารย์หมดทั้งล่างของเรานี่อ้าวเศรษฐกตรงไหนงามตรงไหนกองกระดูกหนังห่อกระดูก ม, มันางานที่ตรงไหนเสกสรรตั้งยอกันไม้เฉยด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ด้วยอำนาจของธรรม งานผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจะยอมไม่กีดเยด็เหยียบย่ำธรรมาหัวใจเหมือนฟุตบอลปิ่งไปปิ่งมาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนหาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในด้วยอาได้วยทําไม่ได้เลยมันต้องควรดูกระเพาของพระหน้าที่ของพระที่มาปฏิบัติงานของพระเป็นอย่างนั้นเหรองานของพระคืองานถังสงี่เหล น, นเหร อ, องานของพระเป็นงานที่ถอดถอนยิ่ยเลงซึ่งเป็นของจอํำปลอง เอาคว้าลงไปมันละสติปัญญามีเท่าไหร่คิดขึ้นมาคน้นขึ้นมาสติปัญญาจา๊คเิดขึ้นด้วยความพินจิจารณาในเบื้องต้นต้องฝืนการพิจารณาฝืนการพิจารณาเมื่อได้เหตุได้ผลได้ต้นได้ปลายพอเป็นต้นทุนละอาระที่นี่ปัญญาเมื่อปัญญาออกแล้งเอาเถอะที่เลสมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาเจดชั้นเจ็ดลูกก็ตามเถอะมันจะพังทลายหน้าไปหมดสามโลกธาตุนี้ ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยี่กว่าปัญญาสามารถแตกกระจายพิจารณาแตกกระจายไปได้เป็นไอ้จังทุกขาราตาสภาวธรรมทั่วโลกดินแดนนี่มีแต่สมมุติทั้งนั้นนะักรู้ตามมันจริงจิตมันจะประยุทอะไรเมื่อเราเปิดความจริงให้เห็นทุกด้านทุกมุมแนละ้วมันจะไปถืออะไรยึดอะไรมันถอนเข้ามาเองถอนเข้าไปเองที่ว่าอุ ป, ปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เพราะความถือมั่นในรูปในธนาสัญญาสังข า, นญญางรนิยาของตนนี่แหละสุดท้ายก็ความถือมั่นของจิตเป็นหนักใหญ่ เมื่อนพะิจาาเห็นชัดเจนตาม <c oughs> ความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาอาถอนเข้ามาจนตั้งไม่มีเหลือในภายในร่างกายนี้ก็ดีถ้าถัดันอันนี้ก็ดูแล้วหนังห่อก็ดูมันก็ห่อจริงๆนี่ความจริงทำพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่มีแต่กิเลธทั้งนั้นมันหลอกทาไม่ได้หลอกนี่นะเราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเรื่อยที่แล้วเราเห็นผลยังไงบ้างผลน่า์อะไรที่ รับการหลั่งลงจากกิเลสผลมันเป็นยังไงมิตความทุกข์นักเห็นไหมหน้าพระแมันเห็นชัดเจนปล่อยมันเองความปล่อยวางจากกิเลสถ้าว่าเป็นของไม่เลิศพระพุทธเจ้าเลิศได้ยังไงความติดจงกุกกิเลสใครเป็นคนเลิศมีไหมมันไม่เห็นมีสักลายเดียวนี่ความหลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นจิตดวงเลิศจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเป็นจิตเลิศได้ยังไงจิตมีความสงบต้มเย็นต่างหากเป็นจิตที่มีความสงบ ยึดโม้ขาวว่าปัญญาเป็นจิตเลือดยังไงจิตมีความฉลาดฉลาดแหลมคมทันก็มีการต่างๆปดเครื่องตัวได้โดยดําดับตํำนานนั่นเป็นจิตที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐต่างหๆเนี่ยทำที่ประเสริฐต่างๆฟาดมันทะลุไปหมดงขันตั้งๆมันมีอะไรบ้างรูปกระหมายถึงกายนี่นะกองรูปกองกองรูปกองกายนี่เนี่ยกองหนังห่อกระดูกนี่แหละเวทนาความสุขความทุกข์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 ด, ดีตัวดีตัววิเศษดีโสลืมโรคลืมมุสาเพราะลืมความดูมเนื้อดูดตัวลืมตนว่าคิดถูกกิเลสต้มตุนไม่ได้รู้สึกตัวมันแก้เข้าไปสิสติปัญญาเป็นของสําคัญมากนัตติปัญญาสมาภาแสงสว่างไหนความเก็ียบแหลมไหนจะสู้ปัญญาได้กิเลสตัวไหนจะสู้ปัญญาได้มีหรืออ้ามันแอะไขลงไปสิเมื่อมันเปิดออกเปิดออกเปิดออปด อ, อกมันยิ่งจิตนี้มันยิ่งก็ยิ่มหมุนติวติวกำลัง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 กิเลสวิเศษวิโสอะไรทำดวงที่เป็นกันอันหนึ่งอันเดียวกับกิจนี้เป็นยังไงที่นี่เห็นเทียบกันสิเอเป็นยังไงอ้าวน้ําตามันจะเปไหนมันจะไม่ร่วงเหรอเกิดความสุขสังเวชตัวเองโอ้โหถูกกิเลสมันครอบออกมาสัหลอกมาจนขนาดนี้เน่นหนึ่งก็เกิดความสุขสังเวชในความหลงตัตนน้ําตาก็พังความอัศจรรย์ที่ในธรรมกักิจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือยังไง อัศจรรย์นี้น้านนําตามันขออเขาร่วงฮะเห็นความอัศจรรย์ร่วงมาได้เนื้ว่าจิตจ ะ, จะเคยจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยจิตแทบเป็นอย่างนี้เหรอนั่นแล้วเราจะเอาอะไราไปพิสูจน์เอาอะไราไปแยกถ้าไม่จะทำเท่านั้นอย่างอื่นอยาเอามาใช้เลยจะมาแยกมาแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกใจพิสูจน์จิตใจอืหรือพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์บาปพิสูจน์บุญพิสูจน์จิตเดชสนาถ้าไม่จะทําเป็น ผู้พิสูจนเป็นเครื่องพิสูจน์ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ถทำเป็นพิสูจน์ผู้ยิ่งพิสูจน์ได้ด้วยธรรมรู้ได้ด้วยธรรมเห็นได้ด้วยธรรมความรู้ความเห็นของพระเจ้าไม่ได้ปลอมเมื่อเป็นฉะนั้นข้ามาบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมีนิพพานมีปลอมได้ที่ไหนขี้เลศมันปลอมต่างหากมันว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีมันหลอกต่างหากยังยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรอเวลานี้เราจะเชื่อขี้เลศหรือ เ, เชื่อศาสดาท้ายวิเศษวิโสเอาตรงนี้สิ อ๋อมันจริงมันจ้างนักปฏิบัติอ๋อพูดออกมาคุ้มเหนื่อยเหรออละล่ะล่ะนะเราต้องมอธิบายแล้วแต่นี่นักพูดนี่มันเหมือนกับขัง